แก้ความเข้าใจผิดในข้อที่หความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติและบรรลุได้ชี้แจงไปบ้างแล้วในข้อ2และข้อสมีข้อควรย้ำเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสำนวนแบบที่หนึ่งแสดงการบรรลุวิชาสามของพระพุทธเจ้าห่างกันเพียงวิชาละยามของราตรี แต่ในกรณีของบุคคลอื่นการบรรลุวิชาสามหรืออภิญญาหกแต่ละข้ออาจใกล้ชิดกันอย่างนี้หรือห่างกันนานเป็นเดือนเป็นปีก็ได้เพราะถ้ากระบวนการฝึกเป็นอย่างที่บรรยายไว้ในวิสุทธิมัคกว่าจะสำเร็จผลแต่ละอย่างก็คงกินเวลามิใช่น้อยระอนุรุท ธ, ธาเทระบรรลุอรหัตผลหลังจากได้ทิพยาจักสุแล้วนานพอสมควร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 คำบรญญาที่เป็นสํานวนแบบนั้นเพียงแต่แสดงขั้นตอนของการปฏิบัติและบรรลุผลไว้ให้ทราบเท่านั้นเมื่อบรรลุสมาบัตขั้นที่สูงกว่าแล้วก็สามารถเข้าสมาบัตตั้งแต่ขั้นต้นมาถึงขั้นนั้นได้อย่างต่อเนื่องในคราวเดียวและถ้าบรรลุสมาบัตชั้นสูงสุดแล้วก็สามารถเข้าสมาบัตตั้งแต่ขั้นต้นเรียงลําดับขึ้นมาจนถึงชั้นสูงสุดนั้นได้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 ตามความในทีฆนาคาสูตรมีเรื่องว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเวทนาแล้วเรื่องอื่นๆแก่ทีคณาคาปริพาชกที่ทำสุกระคาตาภูเขาคิจกูรพระสาวรีบุตรซึ่งกำลังถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปริดางของพระผู้มีพระภาคพิจารณาธรรมไปตามกระแสรพระธรรมเทศนาและได้บรรลุอรหัตผลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เมื่อท่านอุปสมบทแล้วได้กึ่งเดือนถ้าอ่านดูแต่ลำพังสูตรนี้อาจเห็นไปได้ว่าพระสารีบุรบวชมาแล้วสองสัปดาห์ยังไม่ได้บรรลุผลสำเร็จอะไรเพิ่มเติมจากที่ได้รรมาจากสูเมื่อก่อนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแก่ทคขะนขะครั้งนี้ก็บรุอรหัตผลทันที แต่เมื่ออ่านอนุปัฏฐสูตรประกอบด้วยก็ทราบได้ว่าระหว่างเวลากึ่งเดือนนั้นพระสารีบุตรได้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้ามาตามลำดับโดยเจริญวิปัสสนาควบคู่กับฌานสมาบัติอย่างที่เรียกว่ายุคานัทธสมาธวิปัสสนาคือสมาธะและวิปัสสนาเข้าคู่กันตั้งต้นแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยตะนิโรธ ซึ่งแสดงว่าท่านบรรลุอานาคามีผลแล้วก่อนฟังทีฆะนักข่ า, ขาสูตรเมื่อฟังทีฆะนักข่ า, ขาสูตรนี้ท่านก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือบรรลุอารหัตผลเป็นขั้นสุดท้ายและการเจริญสมถะวิปัสสนาคู่กันของท่านก่อนหน้านั้นได้ดำเนินมาตลอดเวลาถึง15วัน